เกเนหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับการทํานาถามท น, นายอำเภอบ้านผือที่ท่านเคยอยู่อำเภอนายูงมาหลายปีแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านผืออีกรู้ผมในประเทศทั้งสองอำเภอเลยเนี่ยอำเภอนายูงรู้สึกปักดําช้าเก็บเกี่ยวช้าเดี๋ยวนี้เดือนพฤศจิกาวันที่18พฤศจิกาแล้วยังไม่ได้เกี่ยวข้าว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 อย่างแอปเปิลอย่างนี้ก็สู้เขาไม่ได้อย่างซาลี่อย่างนี้นก็สู้เขาไม่ได้อย่างเชอร์รี่อย่างนี้นก็สู้เขาไม่ได้ถูกพับอย่างนี้นก็สู้เขาไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะผลไม้เหล่านั้นเป็นผลไม้เมืองหนาวแต่เมืองไทยของเราก็มีลำไยเงาะทุเรียนอย่างนี้เป็นผลไม้เมืองร้อนแต่ก็เชื่อไมนไม่ใช่ร้อนจริงเหมือนนนะอย่างที่หลวงพ่อเคยอยู่วัดป่าบัตนตาด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 คิดว่าจะชิมทุเรียนทางอีสานดูกันสมัยนั้นว่างั้นแต่ก็อย่างว่าพระปู่ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรมีแต่ใส่น้ำเข้าไปกับปุ๋ยทัานั้นเองเอส่วนอย่างอื่นเราก็ไม่ได้ตรวจตราวิเคราะห์เพราะเราไม่ใช่กเกษตรเนี่ยพร่สัดก็เลยไม่ได้ผลต้นทุเรียนตอนนั้นได้ตัดทิ้งต้นบักใหญ่เขึ้นมาเกือบจะต้นต้นโคดมงเมือเกือบจะเท่าบาทหลงพอเนี่ยว่า ไม่ใช่ต้นน้อยนะฟองฟังๆดู ป, ปูกเป็นสิบกว่าปีว่างั้นแต่แต่มันก็ออกดอกว่างั้นนะออกดอกองื่อีแล้วออกดอกออกดอกมากอยู่แต่มันไม่มีลูกมันไม่จับมันหล่นหมดนะอันนี้ก็คือเ ก, ษ, เกษตรเกษตรกรรมการเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติมันก็ต้องอาศัยพืชพันธัญญาหารข้าวน้ําโภชนาอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกาย ถ้าว่าไปก็คือปัจใจสี่การเป็นอยู่ด้วยปัจใจสี่อาหารการบริโภคผ้านุ่งห่มแล้วก็เสนาสนะอยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเสนาสนะคือคือที่อยู่อาศัยนี่เราปัจใจสี่พวกเราต้องอาศัยปัจใจสี่อย่างทุกวันนี้อย่างในหลวงท่านรัสไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยมาถกเถียงกันทง เ, เขาว่าพอเพียงนี่ทำยังไงจุดประสงค์ของรัฐบาลเรว่าในหลวงนั้นท่านคงจะให้อยู่แบบเรียบง่ายอยู่ปิดเป็นวันๆไป <Hey. S 1> ถ้าเอาเป็นแบบชาวนาตกอนก็หาข้าวมาใส่ ย, ยุ้งใส่สางแล้วก็มีปลาอยู่ในสระแล้วก็หากินเอาข้าวกับปลากินด้วยกัน มีพริกมีเขืออยู่ตามลำพังให้พอเพียงไม่ให้เดือดร้อนอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามที่จริงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราพอเพียงระดับไหนระดับประเทศหรือระดับโลกมันมีหลายระดับ คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคำนี้นะี่มีหลายระดับถ้าหากว่าเราอยู่ในระดับสูงระดับใหญ่เราก็พร้อมที่จะบริหารจัด ก, การซื้อรถเบ้นรถเก๋งมาใช้แล้วก็ให้เพียงพอเหลือใช้ไม่ ง, งั้นเถอะไม่ให้ตกให้หลน่นแต่ถ้าเราเป็นชาวนา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 หรือเราไม่รู้จักประมาณในการใช้มันจึงตักน้ำไม่อยุกอันนี้เราก็ต้องมาตรวจตาดูตัวของเราแะทีตรวจตาดูตัวของเราว่าเมื่อเราเสาะแสวงหาทรัพย์มากแต่ทำไมเราจึงไม่มีเงินใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการระดับไหนเมื่อเราทำงานเงินเดือนของเราก็มีแต่ทำไมเราจึงยากจน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 คนอื่นเขาอยู่ได้แต่ทำไมเราจึงอยู่ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเราได้เงินมาสมมติว่าวันหนึ่งเราได้เงินวันละห้าร้อยบาทค่าตอบแทนของเราวันละห้าร้อยบาทพอทุกวันนี้ค่าแรงงานเข้าไปถ้าเป็นช่างน้วก็สามสี่ร้อยบาทสูงพอว่าข้าราชการนี่ก็ต้องขนาดนั้นแหะวันละห้าร้อยบาทเอาพูดอย่างง่ายง่ายเ่านั้น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 ให้มันเหลือเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราซื้อหมดมาซื้อไปหมดแล้วเป็นหนี้เป็นศินพลุงพลังผลที่สุดจากนั้นก็โคตรโกงปล้นที่เบียดบังเอาของคนอื่นมาเพราะตัวเองไปไม่รอดอันนั้นแปลว่าเศรษฐกิจไม่เพียงพอแล้วอแย่แล้วอการบริหารจัดการของเราใช้ไม่ได้เพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจเพียงพอของในหลวงที่ท่านได้ สอนประสบนิกรของพระองค์ท่านเนี่ยคือท่านให้รู้จักประมาณตัวให้รู้จักการใช้จ่ายอย่าไปใช้จนเกินตัวการสวแสวงหาทรัพสมบัติหมั่นขยันอดทนในหลักของพุทธศาสนาทา่านว่าอุทานสัมปทาถึงพร้อมโดยความหมั่นความขยันอักละสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษาคือรักษาทรัพสมบัติ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 ถ้ารักษาแล้วก็เมื่อเราได้หน้าที่ตําแหน่งก็พยายามทําให้ดีขึ้นรักษาเอาไว้อย่าให้มีการตําหนิติเตียนสิ่งไหนที่มันจะเป็นมลทินเราหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุราเนี่ยจะทําให้เราเสียหายได้ไง่ายๆพอสุราเข้าไปแล้วกันเนี่ยการพูดการกระทําสิ่งใดก็มันล่อแหลมเหลือเกินถ้าดื่มสุราเข้าไปคนขาดสตินะ นี่แหละคือขาดการรักษาอรัคาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษากา ร, รยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามการครบหาสมาคมกับเพื่อนถ้าว่าเขาจะชักชวนไปใดนทางที่ไม่ถูกต้องอย่าทำอย่าไปตามเขาสามาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่คดไม่โกงไม่ปนไม่กี่ไม่เบียดบังสมบัติของเขามาเป็นสมบัติของตัวเอง อันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้สอนให้ประสบนิกรหรือว่าสอนสานุรสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าให้งอมืองอเท้านะมันขยันอดทนให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช่รู้จักหาอย่างที่ว่ามันขยันหามันขยันตักงับแต่เอามาแล้วเทใส่กระป๋องก้รั่วนเทเธอกระไ้มันก็รั่วหมดเทใส่ก็ผลที่สุดคนที่ตักใส่มันจะตายเอาทีนี้เพราะเหตุไรเพราะมันไม่ได้ดูตัวเอง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 อันนี้แปลว่าเรารู้จักวิธีการที่เราจะใช้คือเขาจะใช้ยังไงเราจะต้องมีสติซะก่อนมีปัญญาซะก่อนรอบคอบซะก่อนเราจึงใช้นะแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นน่ะมีตะตักมาใส่เมันก็นลุ่อได้เงินมาอย่างที่ว่านวันละห้ารอยบาทอย่างนี้ค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันรถค่าลูกไปโรงเรียนค่าอาอาหารในครอบครัว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 จะตำหนิใครไม่ได้มันก็ต้องตำหนิคนในครอบครัวสามีพันยาลูกเพ่อแม่ก็ต้องมีวินัยว่าสถานะของเราอยู่ในสถานะไหนเราใช้เงินเกินตัวใช่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราเจ๊งแน่ๆเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แตกกันแ น, แน่ถึงจะรักขนาดไหนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะพ่อแม่ลูกนะพอเราใช้เงิ น, เ ก, นเกินตัวอันนี้แปลว่าเป็นผู้บริหารจัดการดูแล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 ในสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าความหายนะความเดือดร้อนมีแน่นอนเพราะนั้นพวกเราทุ ก, ท, กท่านนะที่หลวงพ่อได้กล่าวทั้งนี้ก็คือการเป็นอยู่ชีวิตประจาวันของพวกเราควรจะทำตัวอย่างไรในเมื่อชีวิตประจาวันของเรามีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเราจะคิดพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองก็คิดไปได้เราจะคิดสงเคราะห์อนุเคราะห์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 ในการใช้จ่ายของเราเนี่ยขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทําบริหารจัดการตัวของเราดีแล้วเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมไปได้เหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนฝั่งเข้นเขาตกน้ําเขาที่ตกทุกข์แต่ตัวเองก็พ่อแป่อยู่แล้วเพึ่งหายป่วยใหม่ๆห่ไหวน้ําก็ยังไม่แข็งตัวเองก็กระโดดลงไป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 ขนาดชีวิตตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเนี่ยยังไปวัดอีกแต่ตาไม่จริงไปวัดกับการคองชีพมันคนละเรื่องกันนะคือไปสูว่วัดวาศาสนาเนี่ยคือให้อาหารทางใจอยู่ทางโลกนคือเราสอบแสวงหาปัจจัยสี่อย่างที่กล่าวเบื้องต้นปัจจัยสี่คืออะไรอาหารผ้านุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บ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 เป็นของอันดิจังเป็นของไม่เที่ยงนะร่างกายของเราทุกคนทุกส่วนเนี่ยเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะเอาร่างกายในตัวเองไปได้เพราะนั้นถึงสอดแสวงหาทรัพย์ถึงขนาดไหนมีล่ำรวยถึงขนาดไหนเมื่อตายไปแล้วร่างกายนั้นก็ทิ้งในโลกเพราะนั้นการกระทาสิ่งไหนให้มันขยนันอดทนให้ทาตามหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ว่าให้รู้จักปล่อยวางในใจ อย่าไปถือโทษโกรธเครืองกับใครจนเกินไปรักใครก็อย่าไปรักจนเกินไปโกรธใครอย่าไปโกรธจนเกินไปพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครก็จะไปเกินไปให้พูดด้วยเหตุด้วยผลมองโลกด้วยเหตุด้วยผลโลกไปนี้มันเป็นอย่างนี้อมมีคนดีมีคนชั่วมีคนบ้ามีคนเมามีคนหูหนวกตาบอดมีคนฉลาดมีคนโง่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 เมื่อสิ่งใดเข้ามากระทบความอิจฉาพยาบาทสันทากติโทสากติโมหากติพยกคติอักติสี่อยู่ในจิตในใจก็ไม่มาเพราะเหตุอะไรเรารู้ทั้งหลายหลายเนื่อมันมาเปลี่ยนมาเพราะอะไรอักติเหล่านั้นรักกันเพราะอะไรโกรธกันเพราะอะไรอิจฉากันเพราะอะไรเหล่านี้ มันมีอยู่ในใจของมนุษย์แต่ใจของเรานั้นเราจะพยายามดูจะให้มีอกติน้อยที่สุดถึงจะห้ามไม่ได้เราก็ให้น้อยที่สุดโลกกะระทำแปดที่จะมากระทบเราเราก็พิจารณาให้น้อยที่สุดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทานสนรเสรือนสุขทุกขเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ในโลกพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วว่าอันนี้คือโลกกะระทำ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 อาหารของใจอาหารเข้าสู่จิตใจนะี่ยคือให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางให้รู้จักควรทาสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรทําสิ่งที่ควรคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดสิ่งที่ควรพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดคนที่มีธรรมะในจิตใจแล้วนั่นแหะคนนั้นอะนะเรียกว่ามีอาหารทางจิตใจจิตใจมีหลักจิตใจมั่นคงจิตใจจะไม่หทุกข์ในเมื่อสิ่งมากระทบ จิตใจไม่ว้าเวจิตใจไม่อ้างว่างจิตใจไม่ไม่เงียบเหงาจิตใจไม่ซึมเศร้าถ้าคนมีธรรมะเข้าสู่จิตใจแต่คนไม่มีธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วเมื่อโลกกระรมเข้ามาเราจะรู้ได้อย่างโลกกระทำทุกวันนี้บางทียศฐาบนบรรดาศักิ์ขึ้นมาแต่พอถูกรุดโลกกระทำเข้ามาแล้วตัวไม่เป็นตัวเลยเสียอกเสียใจ จะเป็นบ้าเป็นบอได้ไง่ายๆโลกธรรมไม่ใช่ธรรมดานะเอไม่ใช่ธรรมดายิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งลมพัดแรงแต่ถ้าว่าคนมีธรรมในใจแล้วท่านจะต้องวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินรายเพราะฉะนั้นใครจะทําอย่างนั้นได้ไม่ใช่ของทําได้ไง่ายๆนะถ้าไม่ฝึกไม่เตรียมตัวไว้ก่อนถ้าได้ฝึกได้คิดได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วนั่นแหละเทนีิสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาถึงยังไงยังไงก็เราก็มี หลุมเพาะมีบังเกอร์ออมีที่หลบซ่อนออคือศีลและธรรมเรารู้จักปล่อยวางที่ใจของเรา เ, เมื่อเราจับที่ปล่อยวางของใจของเราเราวิ่งเข้ามาหาจุดนี้เราก็ปล่อยวางเอ้ยโลกก็นี้จะไปถืออะไรเที่ยงแท้แน่นอนได้ยังไงถึงกล้ใครก็เถอะอีกสักวันหนึ่งคาดไม่ว่าแต่ลาบยศสรรเสริญ่ะ เฮอไม่ว่าจะเงินคำทรัพย์สมบัติพี่น้องลูกหลานสามีพันยาละกระดูกของข้าข้าก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ข้าเกิดมาข้าาเกิดมาคนเดียวบัดนี้มาถึงข้าแล้วหรือข้าก็จะทิ้งทั้งกระดูกของข้าด้วยเขาจะต้องเอาไฟไปเผาทิ้งด้วยข้าจะไปยึดอะไรในสิ่งเหล่านั้นมากมันทิ้งที่หัวใจได้มันทิ้งทหัวใจเฉยได้รับได้อะไรมาก็ได้ทั้งหมดเห็นีหมนี่แหละ มันทิ้งที่ไหนมันถ้ามีธรรมะอยู่ในใจแล้วมันทิ้งจุดนั้นะมันทิ้งลงจุดนั้นทิ้งอยู่ที่ใจมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมอถามโดยตัวเองมันจริงไหมอย่างนั้นอมันเป็นอย่างอื่นจริงถูกต้องอมันจะเอาอะไรไปด้วยร่างกายของเราก็จะเอาไปด้วยไม่ได้ทําไมสิ่งเหล่านั้นจริงจะมาทับโมจิตใจของเราให้เราเป็นบ้าะกับสิ่งเหล่านั้นได้ อันนี้คือหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสานุสิทธิ์ของพระพุทธเจนะ้าท่านให้ปล่อยวางอยู่ที่ใจปล่อยที่ใจวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจใชําระใจแห่งบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นบรมสุขนะว่างั้นนะต่อเ น, นื่องไปหลวงพ่อได้พูดธรรมะให้เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ให้ได้ศึกษามามาวัดวาศาสานานานๆานได้มานะก็ได้ฟังธรรมะหลายรสหลายชาติให้แก่พวกเราท่านทั้งหลาย